นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ทางเพียวธรรมะคอมอาตมาพระไพบุญอภิปุลโนก็จะมากับคุณหมอรัตรพงศ์ครับกลับนักการและกลับสวัสดีท่านผู้ฟังครับกับผมทันตแพทย์รนะัตพงศ์กระกวิรุณจากกรุงเทพครับเราก็เริ่มรายการกันอย่างเงี้ยก็จะบอกแค่ว่าตอนนี้เป็นตอนที่เท่าไหร่แล้วคุณหมอรัตรพงศ์ตอนที่65้าครับหกสิา <65. S 2> ครับเอ่อตอนที่65นี้เราก็จะพูดถึงเรื่องที่สําคัญครับเอ่อในการที่เราจะพูดเรื่องสําคัญเนี่ย ก็จะต้องไฮไลท์ให้ท่านผู้ฟังทราบสักนิดหนึ่งก่อนว่ า, เ, าเราเป็นนักศึกษาธรรมะหมายว่าผู้ปฏิบัติธรรมะด้วยเพราะฉะนั้นอะไรที่พระเจ้าสอนนี่เราก็พยายามที่จะทำตามแล้วก็ทำได้ดีมากน้อยเราก็ค่อยๆแก้ไขไปเนะเาะต้อ ง, จงใจเปิดกว้างนะที่จะจะเรื่องการปฏิบัติธรรมะอันนี้เราเอาหมัดคำถามมาตอบก่อน คำถามแรกที่มาในวันนี้ก็เป็นคำถามของคุณนัทกุศนพงวานิทครับคุมาแล้วพงถามได้เลยอืมครับคือคุณนัทเนี่ยได้ยกพระสูตรมาสี่พระสูตรสี่พระสูตรด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องสมาธิทั้งนั้นเลยชา้นหนึ่งสองสามสี่เรื่องของสมาธิคือชา้นคือมุ่งไปที่ชา้นสี่เลยนะครับใช่คือพระสูตรที่หนึ่งกับพระสูตรที่สองที่คุณนัทยกยกมาเนี่ยบอกว่าชา้นสี่เนี่ย เหมือนเป็นสุขวิหารธรรมนะครับแล้วก็อันนี้คือแต่ถ้าท่านฟังต้องการรายละเอียดไปอ่านดูได้นะอยู่ในหน้าเพียวธรรมะหน้าที่หกสิบสี่หมายถึงว่าเปิดทำที่สุกปิดภาพออนไลน์ตอนที่ห4ิบสี่ที่คุณนัทเขียนเอาไว้คิดว่าจะมามาคัพปี้ให้อยู่ในหน้าของตอนที่ห5สิบห้านี่หรอก อ, อย่างไรก็ตามจะไฮไลท์ให้ทราบว่าเ็าถามเรื่องอะไรก็คือคพูดถึงเรื่องของ สมาธิสมาธิทั้งสขั้นทีนี้ถามหมอรัตพงศ์หน่อยคือเขาพูดถึงว่าเรื่องความสุขนะฌานสี่จริงๆเขาชานสี่มันมีความสุขหรือไม่มีความสุขกันแน่ท่านพระพุเจ้าบอกว่าให้อยู่ในได้ฌานได้ชาน4ี่เนี่ยอันเป็นสุขาวิหารธรรมเอ๊ะแล้วฌานสี่สุขมันมีสุขหรือไม่มีสุขก็แน่อีกพระสูตรหนึ่งบอกว่าไม่มีสุขไม่มีทุกขะสุขและทุกข์หรืเสียได้ณพระความต่อไปแห่งส่วนมันได้โมนได้การหยอดจุมรุชันที่4ี่ใช่ไหมก็เลยดูเหมือนว่าจะข ก่อนี้จะตอบอคำถามนี้ก็จะต้องถามมารปุปองก่อนเรากําลังเปรียบเทียบการไปเที่ยวอยู่สองที่นะที่รแรกเนี่ยคุณไปเที่ยวกินเที่ยวเล่นไปเที่ยวแบบโหเหมือนกับวัยรุ่นเขาไปเที่ยวกันครับไป<อ>เที่ยวเฮ่เฮ ก, hey, hey, กันอย่างเงี้ยนะคือไปทเที่ยวแบบลุยลยอย่างเงี้ยนะกลางเต้นแล้วก็กินข้างถนน แ, แบบแฮ ppy แฮ ppy ไปงั้นในเะที่ยวแบบที่สองนี่ก็ไปเที่ยวชายทะเลนั่งนิ่งๆสบายๆเรื่องกิดอะไรมากอันไหน ดีกว่ากันมาและผมมั้มีความสุขมากกว่ากันจริงๆเตามความเห็นของหมอแ ล, ละของผมก็เที่ยวทะเลนิ่งๆสบายๆครับคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีความคิดว่าเอาไปเที่ยวแบบว่างๆดีกว่าจะมาเที่ยวทะเลแบบว่างๆสบายๆไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องเอลุยมากไม่ต้องเฮฮามากแต่ว่าเอาความว่างๆสบายๆความสุขที่ได้จากธรรมะนี่คือความว่างความสุขที่ได้จากธรรมะธรมเนี่ยคือความสบายเพราะฉะนั้นอะไรที่มันน้อยเนี่ยมันยิ่งดี อครับใ น, นนี่คือลัาสณะงธรรมะกุศลเนี่ยว่าสิ่งที่ที่ประเสริฐนะ่ายิ่งยิ่งน้อยยิ่งดีอ น, น, นี่คือคอนเซ็ปต์ของพระเจ้าคืออยู่ในภาวะสันโดษน้อยนี่หมายความว่ากิเลสในใจน้อยตัณหาน้อยๆเนี่ยดีมากจนไม่มีตัณหาเลยนี่ดีที่สุดยิ่งดีอ่าครับแล้วก็อย่างพูดถึงความเราดูอย่างเรื่องสมาธิใช่ไหมร แ, แรกเราเรื่องของความคิดเราแบ่งเป็นสองส่วนพระเจ้าเคยบอก ส่วนที่เป็นอกุศลกับส่วนที่เป็นกุศลเอาปาดส่วนที่เป็นอกุศลทิ้งออกให้หมดนะแล้วถ้าจิตคุณมีปีติสุขได้นะอันนี้คุ ณ, คณชั้นหนึ่งละในชั้นหนึ่งคุณปาดเอาพิโตวิจารณ์ออกด้วยนะก็เหลือแต่ปีติสุขมันน้อยลงนะดีขึ้นใช่ไหมทีนี้เอาปีติก็ออกด้วยเหลือแต่สุขอย่างเดียวนะอันนี้ก็ดีขึ้นนะสุขมากขึ้นนี่พุทธาบอกทีนี้รเราต้องแยกประเด็นตรงนี้นะทีนี้อย่างเรื่องอรูปสั ญ, ญญาสมาบัติเนี่ย มันยิ่งมีความสุขมากกว่าเอรูปสัญญาหรือว่าสัญญาเวทนาอิแตนิโรจ น, เน์เวทนาดับไปเลยนะสัญญาดับไปเลยนะเวทนาไม่มีเลยนะแม้อทุกขมัสสุกเวทนาก็ไม่มีอมโอ้โหนี่ยิ่งมีความสุขงี้เราถามงี้สุขเวทนาเอาเปรียบเทียบสุขเวทนากับอทุกขมัสุขเวทนาอันไหนมีความสุขมากกว่ากันน่าจะเป็นอทุกขมสุขแน่ น, นอนถูกไหมเพราะมันไม่มีสุขนะ เพราะว่าความสุขเนี่ยมันทุกตรงนี้ว่าถ้าเราเสียมันไปเมื่อไหร่ในคุณจีตันตีมันก็เป็นทุกข์อีกแต่อาจทุกข์คำว่สุขขเวทนาจะไม่มีตรงนั้นอย่างไรกก็ตามมันยังมีเวทนาอยู่เพราะว่าอัจทุกขมสุขขเวทนามันดับไปได้แต่ถ้าดับไปได้เนี่ยมันก็ยังจีได้เอางี้การเอาไม่ต้องมีมันเลยไม่ต้องมีประเลยก็คือสัญญาเวทาิตานิโรธทีนี้ที่เราต้องเข้าใจบทเพียนชนะเนี่ยคือคําว่าสุขขวิหารธรรมกับสุขเวทนาไม่เหมือนกันนะ อ๋อไม่เหมือนกัน อ, อ, อย่างคนที่อยู่ในอรูปสัญญาสมาบัติครับเอ า, เอาพูดไปเลยเอาอย่างคนที่อยู่ในให้ทุกฟังได้ฟังเสียงตุ๊กแกรอเอออย่างคนที่ได้มีสัญญาวิทนาที่ตัดอิริทเวทนาดับหมดนะครับเขาอยู่ในสุขวิหารธรรมที่มากกว่าคนที่ได้ ชั้นที่สี่ใช่ือตั้งั้งที่เวทนาดับนะแต่อยู่ในสุขวิหารธรรมที่มากกว่าคนได้ชั้นสามชั้นสองชั้นหนึ่งทั้งหมดเพราะฉะนั้นเครื่องอยู่ที่เป็นสุขนิพพานเวทนาไม่มีดับไปแล้ววิญญาณดับไปแล้วแล้วอะไรอีกดับอีกสัญญาดับสังขารญญาดับหมดเลยสังขารขันไม่มีมเลยครับผมนิพพารนังป a r a มั n g สุขขั ง, ขขงนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง อ้าวเอ๊ะทำไมเป็นงั้นใช่ไมพวกนี้คือสุกกวิหารธรรมที่พูดถึงว่าเครื่องอยู่อันเป็นสุขนะี่ยสุขนี่ไม่ใช่หมายถึงสุขกเบทนาแต่สุขเจิดจากความว่างที่มันไม่มีครับอืมนิพพานังประมังสุญยญนะ์นะนิพพานนิพานพานว่างอย่างยิ่งครับอืมว่างสุยญ์นี่คือว่างเละหรือว่าศูนย์นะคนไทยจะแปลว่าศูนย์แต่ว่าสุญ ญ, ญนนน์ในบาลีก็แปลว่าว่างก็ได้อืมคือความไม่มีใช่คือว่างๆว่างๆอ่าว่า ง, างไม่ต้องทําอะไรนะ นะเพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าชา้นสี่เนี่ยคำคำพระเจ้าจะไม่ได้ขัดกันนั้นในชา้นสี่เนี่ยเวทนาสุขเวทนาไม่มีทุกขเวทนาไม่มีนะความสุขที่เกิดจากอุเบกขาเนี่ยมันไม่มีมันดับชั้นสามเนี่ยมีอุเบกขาใช่ไหมแต่ว่ายังมีความสุขที่อยู่ในอุเบกขาอยู่มีอุเบกขาสุขอยู่เราคุณปาดความสุขตรงนี้ทิ้งไปด้วยเหลือแต่อุเบกขาล้วนๆ น, นี่แหละคือชานสี่ใช่ไหม ช, ชั้นสี่ชั้นสตรงนี้นะโอ้ยสุขมากมากเลย อ่าวแต่มันขัดกันด้วยเพราะว่าความสุขที่อยู่ในอุเบกขาออกไปแล้วนั้นแต่เป็นสุขวิหยารธรรมมากมากเลยความหมายไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจบทพิจารณาตรงว่าสุขวิายาธรรมนะมีได้หมดจนถึงนิพพานครับแล้วก็ไอเวทนานะมันดับไปสุขเวทนานี่ดับไปตั้งแต่ตอนฌานสามละฌานสามครับฌานสัญญาพิ ท, ทักษิตตะนิโรธสมาบัตินี่เวทนาดับไปหมดเลยครนะก็ยังเป็นสุขสบายธรรม ดับหมดเลยสัญญาก็ดับวิญญาณก็ดับสังขารก็ดับเนี่ยก็ยังเป็นสุขวิญญาณธรรมอืเนี่ยพระเจ้าใช้คำว่านิพพานังประวังสุขังสุขตรงนี้คืออธิบายถึงสภาวะที่มันเป็นความสุขอืคือไม่ใช่สภาวะทุกข์กับสภาวะสุขเข้าใจไหมความทุกข์เนี่ยคือทุกทุกทุกสภาวะเนี่ยเป็นความทุกข์ใช่ครับคือทุกข์เนี่ยเป็นสภาวะที่มีความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นที่มันมีความเปลี่ยนแปลงอมีความเสี่ยงต่อความเปลี่ยนแปลงมาก prone to change มากนะมันก็จะเป็นสภาวะที่ทุกข์มากอะไรที่มีความเปลี่ยนแปลงต่อความอะไรที่มีความเสี่ยงต่อความเปลี่ยนแปลงน้อยนะความสุขจะมากฟังให้ดีครั้งหนึ่งอะไรที่มีความเสี่ยงต่อความเปลี่ยนแปลงมากนะความทุกข์จะมากครับนั่นคือสภาวะทุกข์เข้าใจไหมสภาวะทุกข์อะไรที่มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงน้อยสภาวะทุกข์นั้นจะน้อยเมื่อสภาวะทุกข์น้อยคือความสุขมากครับ แล้วเรากำลังพูดถึงสภาวะทุกขน้อยหรือสภาวะสุขที่ที่ทตรงข้ามกับสภาวะตัวนี้ทุกใน อ, อ ร, ริยสัจสี่มรรคพงศคือสภาวะทุกใช่ไห ม, มการที่ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังหรือว่าความที่ได้สิ่งนั้นมาแล้วก็ต้องสูญเสียไปนี่คือสภาวะทุกเพราะอะไรเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ครับอเรากําลังพูดถึงเอาอย่างกามอย่างเงี้ยสิ่งที่เป็นอกุศลธรรม มันเปลี่ยนแปลงได้ไง่ายมากเพราะเป็นธรรมชาติของกิเลสที่มันจะดีดดิ้นอ๋อไม่เป็นไรเราเอาความพวกนั้ น, นออกไปหรือวิตกวิจาร์วิตกวิจารก็ยังเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นแต่มันยังมีอาภารของฌานที่หนึ่งอยู่นั่นคืออยู่ในฌานที่สองอต่ยังคุณอยู่เข้าฌานที่สองไม่ต้องคิดแรงสิ้นละสบายสบายอยู่โอ้ยเดี๋ยวมันไปคิดนั่งคิดนี่ไอ้ต้องคิดนั่งคิดนี่ละ่ะกลายเป็นอาภารของฌานที่สองฌานหนึ่งนี่เป็นอภารของฌานสองนั่นหมอละพงคนคได้ฌานสองแล้วโอ๊ยเกิดชานหนึ่งอ๊ยมันกวนว มันเป็นอย่างนั้นนะเ <ừ m, S 1> พราะฉะนั้นถามว่าชั้นหนึ่งนี่กลายเป็นสภาวะทุกข์ขึ้นมาเพราะมันมีองค์ประกอบมากอยู่อืจะหนีสภาวะนี้อุอาพาธนี้คุณต้องหนีไปชั้นสามต้องหนีไปชั้นสาม <3 S 2> ไปอ่ ะ, ะ, อะไอ้สภาวะทุกข์ที่จะมากวนว่าเป็นวิตกิจานี้ไม่มีละแต่มันยังมีไอ้ปิตินี่มากวนอยู่ปิติครับอ่าเพราะว่าชั้นสามไม่มีปิติแล้วนะมีแต่สุขกับอุเบกขาครับลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ย ความเปลี่ยนแปลงในฌานที่ลึกขึ้นไปจะน้อยลงทำไมวะความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่อยู่ในสมาธิเนี่ยองค์ประกอบที่อยู่ในสมาธิของฌานที่ลึกขึ้นไปจะน้อยลงฟังอีกข้อหนึ่งความเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบที่อยู่ในสมาธิในสมาธิที่ลึกๆขึ้นไปเนี่ยจะน้อยลงเพราะว่าองค์ประกอบมันน้อยลงอืมใช่ไหมจริงครับอย่างฌาน4ี่มี4ี่อย่าง5อย่างฌานหนึ่งมี4ี่อย่าง5อย่างฌาน2องฌาน4ี่นี่ก็เหลือ2 3อย่างเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงมันน้อยลงแน่ เพราะองค์ประกอบขมันน้อยลงครับทุกข์ก็เลยน้อยลงอ่ไอีสภาวะที่ทุกข์เนี่ยมันน้อยลงสภาวะทุกข์มันน้อยลงเอาคุณก็มีความสุขมากขึ้นนี่แหละคือสุขกับญาตธรรมอืมคือความสุขที่ชาบอกจึงทําให้นิพพานังปรมังสุขังไงครับอืมเพราะมันมันไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงได้อืมเพราะสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมันไม่มีสภาวะทุกข์ในนั้นไม่มีมันหมดไปแล้วใช่ครับเพราะเหตุที่จะทําให้เกิดเนี่ยมันดับไปนั่นคือตัณหา ครับอืมเพราะนั้นเราก็จะเข้าใจว่าโอ้คอนเซปต์พระเจ้านี่คือมียิ่งน้อยยิ่งดีนั่นคือชื่อเของกุศลด้วยนะกุศลนี่คือยิ่งน้อยยิ่งดีครับอืพระเจ้าไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพรในกุศลธรรมทั้งหลายคืนที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้โพลครับพระเจ้าตรัสอย่างนี้นะพระองค์นี่เป็นผู้ที่ไม่รู้จักยิ่มไม่รู้จักพรในกุศลธรรมทั้งหลายมาเล่ให้ทุกคฟังให้ดีทำไมไม่รู้จักยิ่มไม่รู้จักพอเนี่มันมันมั น, มนยากหรือเปล่าอืมใช่ครับเอ ตรงนี้ไงเราถึงต้องมาดูว่าไอ้ความอยากเนี่ยถ้าอะไรก็ตามนะหมายฉันอยากได้สมาธิหรือว่าฉันอยากได้เงินคุณดูอดีฟังอดีถ้าเผื่อว่าการคําว่าอยากเนี่ยต้องต้องใช้ในเครื่องหมายคำพูดนิดหนึ่งว่าถ้าเป็นไปเพื่อความเพลินความกําหนัดเพลิดเพลินลุ่มโรงมัวเมาอันนี้ตันหาอแต่ถ้าคุณมีความอยากชนิดที่เรียกว่าะละวางเพื่อเป็นไปเพื่อความสงบระ ง, งับ ความดับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมนิพพานอันนี้ดีเป็นชันท่ที่เป็นมรึกอืมค่าเข้าใจเนาะเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าผู้เจ้ามีความบอกว่าเราไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในกุศลแธรรมทั้งหลายใช่ไหมกุศลธรรมนี่คือน้อยครับยิ่งน้อยยิ่งดีเพราะฉะนั้นไม่รู้จักอิ่มจักพอในสิ่งที่ยิ่งน้อยเข้าไปอีกโออันนี้เป็นไปเพื่อความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมแลนิพพานอ่ะอันนี้เป็นชันท่ที่เป็นมรึก ออันนี้ดีเป็นฝั่งกุศลใช่ใช่ใช่มันเราก็จะไม่สับสนละเขาจะเข้าใจละครับอืมอืแสดงว่าข้อใหญ่ใจความของคําตอบนี้ก็คือเรื่องของสุขวิหารธรรมกับสุขเวทนาถูกต้องครับสภาวะสุขกับสุขเวทนาไม่เหมือนกันครับมวันนี้ความทุกข์ทั้งหมดนะความทุกข์ทั้งหมดรวมลงที่เวทนาพระเจ้าบอก อริรสี่ประกาศไว้สําหรับสัตว์ที่ยังสามารถสวยเวทนาเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังมีเวทนาอยู่โอ้โหแน่นอนคุณต้องรับไปเต็มๆสุขกับเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาคุณต้องรับไปเต็มๆความทุกข์นะเพราะสภาวะเหล่านี้เป็นสภาวะทุกข์มันมีความเปลี่ยนแปลงได้เอางี้ไม่ต้องเอามันเลยเวทนานั่นคือคนในโลกนี้ที่จะยังมีความสุขได้มากที่สุดคือคุณไม่มีต้องมีเวทนา นั่นคือสมาธิระดับสัญญาเวทายตานิโรธเวทนาและสัญญาดับไปครับอืมเฮ้ยมีความสุขมากจริงๆนะครับเข้าใจนะมีความสุขมากจริงเนี่ยคำ ว, ว่าสุขตรงนี้ไม่ใช่สุขเวทนาแต่เป็นสภาวะสุขเนื่องจากสภาวะทุกข์มันน้อยมากอืมอื ม, มชัดเจนเลยครับในกรณีของสัญญาเวทายตานิโรธนี่ก็เกือบเข้าเข้าใกล้นิพพานมากๆแล้วนะครับ โดยอืโดยกฎเกณฑ์ที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยใช่เป็นอีกทีดเดียวอื <laughs> เป็นความสุขที่มากที่สุดละครั บ, รบอ่ัทีนี้ก็คิดว่าถ้าคุณอณ น, นักยังไม่เข้าใจก็สามารถถามได้นะถ้าเข้าใจแล้วก็อนุโมทนาด้วยครับถึงเรืร่องมาคําถามต่อไปครับมีคําณปนิชที่เอาคุณปณิชที่ก่อนคุณคุณปณิชที่ได้พูดถึงเรื่องที่เราพูดถึงชันทะกับ อตระหนักไว้ก็ค่อยๆทําความเข้าใจแต่ว่าคุณปณิทีจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่เป็นไรหรอกขอให้ทำเข้าใจไหมเพราะว่าเราจะอยากเราจะต้องการเราจะวางแผนเราจะหวังไม่หวังว่ามันไม่เกี่ยวแล้วเราขอให้ทําให้ถูกเพราะฉะนั้นวิธีการทําให้ถูกของเราคือเดินอยู่ตามมรรคเดินอยู่ตามมรรคนะถ้าคุณทำถูกคุณเดินอยู่ตามมรรคคุณจะหวังคุณจะไม่หวังไม่เป็นไรคุณจะเข้าใจไม่เข้าใจไม่เป็นไรคุณจะอืม อยากไม่อยากไม่เป็นไรขอให้คุณเดินอยู่ตามมัคให้คุณ ม, มีความมั่นใจนการเดินอยู่ตามมัคแล้วเ อ, เ, อเราก็ค่อยละสิ่งนิเวศอคุณโอออกใช่ไหมความเครียดความวเร่าออกแล้วก็อความคิดไม่ไดีเอ อ, อกใน้วแต่จิตที่เป็นสมาธิทําทไว้ให้มากอันนี้ก็ยิ่งเข้าใกล้จุดที่ควรจะต้องเป็นมากขึ้นครับอ<ล><ม>ก็แล้วก็คงคงเข้าใจพอใช่เข้าใจครับครับทีนี้ที่ท กรณีที่คุณปณิธิ c o เม e n t มาในเรื่องของที่เรื่องศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยออืมอนนี้ก็แล้วแต่พื้นฐานของคนต่านนะบางคนอาจจะฟังเข้าใจบางคนจะไม่ฟังไม่เข้าใจอะไรไม่เข้าใจก็ยกไว้ก่อนฟัง ส, สิ่งที่เข้าใจอย่างเงี้ยก็จะเป็นประโยชน์ล่ะคือนําศัพท์ภาษาอังกฤษมาถามก็ได้นะครับสําหรับท่านที่ไม่เข้าใจอืมสมมุติว่าเออจะได้จะได้เรียนรู้ร่วมกันว่าเออศัพท์ตัวนี้เนี่ยมันมันคือความหมายอย่างนี้นะอ่า มีความละเอียดแบบนี้นะครับได้ไดต่อไปก็เป็นคําถามของคุณทิพย์ซึ่งเราจะตอบคําถามนี้เป็นเป็นคำถามสุดท้ายของวันนี้ครับอคุณทิพย์กล่าวถึงเกี่ยวกับอ่าเรื่องขอการเดินทุดงครับการเดินทุดงปกติคือเราเราเข้าใจว่าทุดงสมมติคือคือที่เดินในป่าอย่างเงี้ยครับแค่นี้มีกรณีที่ของมีพระมาเดินในเมืองทุดงในเมืองนะครับแล้วก็มีการโปรยกลีบกุหลาบ เป็น <im itation> ระยะ ะ, ยะให้พระเดินอย่างเงี้ยก็เลยไม่ไม่ทราบว่าจะมันก็เอาปุถุวะช น, นะอธิบายก่อนนะอ่าทุ ด, <c oughs> ดงเนี่ยก็คือข้อปฏิบัติอันบุคคลทําได้ยากเป็นไปเพื่อขุดเกาวกิเลสอย่างยิ่งโอ้โอ <c oughs> ย <c oughs> ก่อนที่จะอธิบายเรื่องทุดงเนี่ยจะขออธิบายเรื่อง อ, อความหมายของคําว่าทุดงทุตังคะเรื่องการทําจิตก่อนอ๋อกลับเรื่องการทําจิตก่อนเอเราเนี่ยนะเราเกิดในมันในบนโลกมนุษย์แล้วหมดแล้วพง เพราะนั้นมันมีผัสสะที่จะทําให้เราทั้งพอใจและไม่พอใ จ, จนะอะไรที่มันจะสร้างบุญสร้างกุญส่ให้เราเราก็เอาแล<า>นะอะไรที่มันจะเป็นบาปเป็นกรรมเป็นสิ่งที่เป็นมิจฉาสังกับบเป็นมิจฉามัรษเนี่ยเราก็ไม่ทำํำนะเพราะฉะนั้นเขาใครทําอะไรดีเราเห็นดีด้วยใครไม่ทําอะไรไม่ดีเราอย่าไปด่าเขาเพราะว่าถ้าเราไปด่าเขาเนี่ยเท่ากับว่าคุณคุณสร้างบาปของคุณเอง อ๋อบาดในใจเราเป็นอกุรแน่นอนนี่เพราะคุณพูดไม่ดีนะคุณพูดไม่ดีคุณคิดไม่ดีคนพูดไม่ดีคนคิดไม่ดีเนี่ยคือคน่านคนพาเนี่ยจะมีเครื่องหมายเครื่องอ้างอิงของคน่านอยู่นคือคนพานมักจะพูดคิดไม่ดีคนพานมักจะพูดไม่ดีมักจะทำการกระทําที่ไม่ดีนั่นเป็นเครื่องหมายเครื่องอ้างอิงของคนพาล่งั้นบัณฑิตจะรู้ได้ไงว่าคนนี้เป็นคนา เพราะคนพานมีเครื่องหมายเครื่องอ้างอิงของคนผ่านคือคนที่มักจะคิดความคิดที่ไม่ดีมักจะพูดคําพูดที่ไม่ดีมักจะทําการกระทําที่ไม่ดีเพราะนั้นบัณฑิตจึงรู้ได้ว่าคนนี้เป็นคนผ่าณิคุณเป็นคนพาณหรือคุณเป็นคนไม่ผ่านแล้วคุณพลพานิใช่ไหมคุณเป็นคนบัณฑิตใช่ไหมคุณเป็นคนไม่ผ่านิใช่ไหมก็คนบัณฑิตเนี่ยจะมีเครื่องหมายเครื่องอ้างอิงของบัณฑิตด้วยนะเครื่องหมายเครื่องอ้างอิงของบัณฑิตก็คือบัณฑิตเนี่ยมักจะพูดคําพูดที่ดีๆมักจะคิด การคิดที่ดีๆแล้วมักจะทําการกระทําที่ดีๆถ้าบอกว่าบัณฑิตไม่มีเครื่องหมายเครื่องอ้างอิงนี้นะบัณฑิตอื่นเขาก็จะไม่รู้ว่าคนนี้เป็นบัณฑิตจริงหรือเปล่าครับแต่เพราะบัณฑิตมีเครื่องหมายเครื่องอ้างอิงของบัณฑิตเหมือนเหมือนเขาติดไว้บนหัวมาแล้วตรงหนาา้าอันนี้บัณฑิตนะอันนี้เป็นคนพาณ น, นะเขาตีตาคุณไว้เลยตีตา ค, คุณไว้จากการกระทําของคุณสติ๊กมาตีตาไว้ที่น้าผคุณเป็นคนดีหรือคุณเป็นคนชั่วถ้าคุณพูดดีๆ คิดดีๆทำดีๆอันนี้เป็นเครื่องหมายเครื่องอ้างอิงของคนดีครับแต่ถ้าในทางตรงข้ามคุณคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วคุณรู้อยู่แล้วชั่วคืออะไรใช่ปะ่ะร ร, รู้อยู่แล้วแล้วทำอาๆ ค, คุณเป็นคนผ่านคุณนำบาปมาใส่หัวเจ้าของครั บ, รบอย่าทำไม่ดีใครจะทำอะไรไม่ดีเรื่องของเขาอนิบายสบายใจมากเลยคคใครทำอะไรไม่ดีก็ไม่มีปัญหาอะไรเราเราทาดี ถูกไหมแล้วคงที่ยึดติดธรรมะเนี่ยมักจะมีความคิด อ, อย่างคนที่ยึดติดศีลเนี่ยครับโอ้ยใครทําผิดศีลนี่ก็จะจีดอ๋อใช่ครับคุณแหมมันทําผิดธรรมะนะไม่ได้กพราะฉธรรมะดีเธอห้ามทําผิดธรรมะมันมันหาทุกข์มาใส่ตัวเองรเราอย่าทําเราอย่าทําเราเป็นลูกศิษย์ของพระเจ้าเป็นผู้ที่เดินอยู่ในมรรคเป็นบุคคลที่กําลังแสวงหาสิ่งที่เป็นบุญเป็นบุคคลที่กําลังอยู่ในแนวทางของสิ่งที่พระเจ้าสอน แน <c oughs> ดูซิอย่างพระที่เขาหนีไปกับพระเดทวทัตอะพระเจ้ายังไม่ให้เอาผิดเลยนะเพราะว่าเพราะเขาคิดแค่ไม่ถูกเท่านั้นเองนะ <c oughs> ใครคิดไม่ถูกทําให้ถูกไม่เป็นไรนะคืออรมามีความคิดอย่างนี้ในคนมาวัดป่าหรือในโสกอะเรามีความคิดว่าสมมติคนเขามาวัดแล้วก็ทําอะไรไม่ดีเอากิเลสมาเยอะแยะมาอวดตัวมาอวดอวดที่วัดอย่างนเงี้ย <c oughs> คุณลาวัดคุณเอากิเลสมาอวดวัดแม้ถ้าเราจะขนาบออกไปด่าเขานะว่าเขาอืเราก็ทําไม่ถูก อย่างนี้ละกันถ้าผมว่าคุณเป็นคนไม่ดีใช่ไหมแล้วคุณคจะเปลี่ยนเป็นคนดีได้เนี่ยแม่เราจะได้ส่วนแห่งบุญนี้มากอืมอนุโมทนาไปด้วยแล้วถ้าใครสักนนคนหนึ่งเนี่ยอ่มารู้ธรรมะเห็นธรรมะที่ลึกซึ้งที่ดีขึ้นคุณคเปลี่ยนคนดีได้คุณทําสิ่งที่ถูกได้โอ้ดีมากมากเลยอือทนที่เราจะบิด่าเขาเราเราควรจะเป็นผู้มีความการุณาห ว, วังให้หวังประโยชน์เกือ้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลาย อยากให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายเนีพ้นจากความทุกข์พ้นจากความที่ไม่รู้นี่มาฤทธิคงรู้ไหมว่าถ้าคุณเบียดเบียนกันมากเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคุณก็จะไปอยู่ในสถานที่มันจะต้องมีการเบียดเบียนกันอ๋อคือสัตว์สัตว์เดรัจฉานัเดรัจฉานใหญ่สัตว์ที่มีกำลังมากกว่าใช่ไหมทําลายสัตว์ที่มีกําลังน้อยกว่าเป็นธรรมดาในพวกวิบากสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กอย่างงี้ใช่ไหมครับทั้งสัตว์นรกทั้งไอ้พวกต่ำๆเนี่ยมันจะมีกําลังเพราะนนนน้ถาาาาคุณเเบบีีียยดกมใทท่ํง คนใหญ่แกล้งคนเล็กหัวหน้าแกล้งลูกนอ้องเบียดเบียนกันคุณไม่พ้นแน่นอน<ม>แต่ถ้าคุณเป็นคนกว้างกว่ามีแต่ให้มีจิตสบายมีจิตอินดุกกุคุณก็จะไปอยู่ในภพที่มีลักษณะนี้ครับนั่นคืออะไรสวรรค์ถ้าคุณคง้อง่อคุณบื้อบื้อทาอะไรผิดผิดพลาดๆคิดไอ้ที่ไม่ถูกก็คิดว่าถูกทำไม่ถูกคุณก็จะอยู่ในภพที่มีโมหะมากๆ แข่งหมาหมาหมาหมอนอฟงมันไม่ใส่เสื้อผ้ามึงคิดว่ามันก็สบายแล้วโอเวลามีเพศสัมพันธ์กับมึงเอากันทางถนนมันก็ไม่ได้แข็ไข้เพราะมันมีแต่โมหะครับมันมีแต่ความไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงในเชีวิงเราอ่ะคุณจะทําไงให้มากคือคนอย่างอผู้ใหญ่เห็นเด็กเนี่ยเด็กเขาเออเเดินไปแล้วก็หกล้มโอ้หกล้มแล้วก็ร้องไห้เราก็จะมีแต่ความกรุณาสงสารว่าโอ้เด็กมันไม่รู้เรื่องนาะมัน มันเดินก็ไม่แข็งแรงมันก็หกล้มเหมือนกันคนถึงแม้ว่ารูปร่างเขาจะโตเป็นคนแล้วแต่ว่าจิตใจเขาอาจจะยังไม่โตก็ได้เขาก็จะทําอะไรที่มันแบบว่าเด็กๆทําับแล้วว่าคุณจะไปว่าเด็กเหรอเด็กเขาไม่รู้นะเราก็มีแต่เมตตาครับอืมเขาไม่รู้จะทําไงก็มีแต่เมตตาช่วยอะไรไม่ได้ก็อุเบกขาแต่อย่าเอาบาปมาใส่หัวตัวเองอืมอย่าทําอย่างนั้นมันไม่ดี อุเบกขานี้น่ า, นาจะทําได้ฝึกๆทำเยอะๆนะครับเวลาเขากุศลเวลาเขาถามรเรื่องไม่ดีของคนอื่นเนี่ยเรารไม่ต้องพูดเลยอืมครับไปเธอเห็นว่าไงเรื่องนี้คุณเปลี่ยนเรื่องพูดไปเลยครับถ้าเขาถามจังหน้าชนีดว่าไม่ตอบนี่ไม่ได้เนี่ยพูดนิดเดียวนิดเดียวครับเห็นไหมอีกช่วงที่หมาแล้วผมมาคาดขั้นตอมาให้ตอบเนี่ยทำไมเขาจะพูด เลี่ยงไปเนี่ยคือคือถ้าถามเราก็จะพูดเลี่ยงไปเลี่ยงไปอย่างนี้เู้รู้ก็เรื่องเหมือพูดใช่ไหมแล้วผู้ดีผู้ช้าอธิบายว่าไงถ้าถามจังหน้าเลยเนี่ยนะถามที่นี้ว่าเราตอบเลี่ยงไปได้เราจะพูดนิดเดียวครับอมเราจะพูดนิดเดียวครับมันเปูดตารวจนะเลยนะครับที่บอกว่าเรื่องเรื่องไม่ดีของผู้อื่นใช่นี่อย่างตอนนี้คุณสรนสนีเข้ามามาลีกในวิติธรรมที่มาป่าละในโสกใช่ไหมเขาก็ไปพูดในรายการเขาว่านะครับเขาจะพูดทั้งสัปดาห์เลยนะ เขาจะพูดเรื่องที่ดีๆเกี่ยวกับการบริบัติธรมการหลีกเล่นบ ร, ร, ริบัติธรรซึ่งครับซึ่งอะไรก็โ้เขาพูดดีนะเขาเขายกย่องความดีของคนอื่นนะแต่ถ้าจะให้เราไปพูดเองเนี่ยโอยเราพูดไม่ได้หรอกเราจะมายกย่องความดีของตัวเองเนี่ยออ้ยเราไม่ทำํำคือต่อให้ถามเนี่ยเราก็จะพูดนิดเดียวนิดเดียวเออมันมันมันเป็นอัตโนมัตินี่รมงตรองหรือถ้าอาตมาก็จะคืพูดได้มากที่สุดเท่าที่เราอุ้ยตอนคิดว่าเราพูดมากเกินมาแล้วในรายการวิทยุเนี่ย หรือว่าอะการเปิดทําที่ถูกผิดพลาดออนไลน์เนี่ยหว่าไอ้การเล่นดียังไงทํำไมคุณต้อ ง, งมาทำเดี๋ยคุณหมอนราไปฟังที่สันชนีเขาพูดเนะี่ยเขาพูดแบบได้อย่างละเอียดหู้เราก็มนึกว่าก็จะพูดได้เละขนาดนี้ตีแพะ<อ>ได้ละเอียดมากในความดีอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเอาก็เป็นเรื่องที่ดีนะถ้าเราจะมาพูดความดีของคุณื่นเขาเรื่องที่ไม่ดีเราไม่ต้องพูดถึงครับอืมอันนี้ก็ต้องข อ, อนืัอโมทนาคุณสันชนีด้วยนะครับแล้วก็ กรรมติอิบเด็นตรงนี้ว่าแล้วเรื่องอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีในสังคมเนี่ยเราจะทํำยังไงทำยังไงดีครับแก้ยังไงเราทําตรงที่ว่าเราทําสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นไงกับ<ข>ตัว<ะ>เราใช่แ ล, แล้วกค็คุณไปทำมันคุณไปทําเป็นตํารวจแล้วก็พยายามจับคนนึงคนนี้มันไม่ได้แล้ว<อ>เรื่องมันเกิดไปแล้วเรื่องมันผ่านไปแล้วนะเราพยายามทําความดีให้มากคุณไม่มีทางที่จะเอาน้ําน้ําเสียไปล้างได้อะนะเข้าใจไหม เราต้องอาน้ำดีเท่านั้นมันล้างเพรา ะ, ะ น, นัมันมันเกิดไปแล้วคุณจาไงเราต้องผลิตความดีให้มากขึ้นมากมากมากจริงๆจนกระทั่งเราสามารถล้างความชั่วในสังคมไปได้ อ, อยิง่งถ้าเราไปด่านะอะคุณไม่ทําความชั่วนั่นน่ะคุณทําความชั่วแล้วแล้วถามว่าคุณจะดีขึ้นได้ไงมันก็เป็นการผลิตความชั่วเพิ่มขึ้นอีกใ ช, ใช่ไหมครับใช่ใช่ รพระเจ้า<ม>เคยบอกนะตัวพระองค์เองเป็นปุรโรหิตผู้ที่ถวายคําแนะนํากับพระเจ้าจักรพรรดิในการที่จะบูชานะเป็นลงโทษคนไม่ดีมันไม่ได้ต่อให้คุณฆ่าเขามันก็จะมีลูกหลานที่เขาที่เขาโกรธแค้น<อ>มาอานี้เอางี้แล้วกันทําความดีซะด้วยการให้ทานคนไหนไม่มีทรัพย์มาไปอืไเอาไประจุกระรทั่งว่าคนไม่มีทรัพย์เนี่ยไม่มีโอ้ยไม่มีอายกรรมเลย สามารถนอนอยู่บนหน้าบ้านได้ไม่ต้องปิดประตูลูกเล่นอยู่บนตัวสบายใจเชียวเป็นโปริตที่ถวายคำแนะนำนี่คือการบูชาที่ที่สมบูรณ์นะนะเพราะฉะนั้นคือแทนที่เราจะไปแก้ปัญหาด้วยการขนาบคนผ่านเราแก้ปัญหาด้วยจิตของเราว่าเราอดทนไว้อันนี้คือการแก้ปัญหาที่เพอร์เฟกจริงๆนะหมอแตะพงษ์ไม่มีข้อที่จะถูกตีเตียนได้เลยไม่มีเลย มีแต่คนพานเท่านั้นมันจะหาเรื่อง่าเฮ้ยอดทนอยู่ทำไมวะมันโง่หรือเปล่าใช่ครับคนอดทนเนืฉลาดเออเราเราคุยเรื่องนี้ไปแล้วใช่ครับเราคุยไปหลายครั้งหลายคนแล้วพูดเรื่องไม่ดีนะหมอครับผมมันมีแต่จะทําให้จิตเรามันมันมันเป็นยุ่งใจครับใช่ไหมแล้วคุณจะไปพูดเรื่องที่มันยุ่งใจทําไมเราก็พูดเรื่องที่มันดีๆสิเราก็พูดเรื่องที่มันจะมีความสุขเรื่องที่มันจะสบายใจอ่ะ อะไรพูดแล้วสบายใจคนไหนพูดแล้วเรื่องสบายใจเราเข้าหาคนนี้แล้วสบายใจคุณก็เสพกบกับสิ่งนั้นเราเช่าเคยบอกนะเราจะพูดเรื่องอะไรคุยกับใครพูดที่ไหนแล้วถ้ากิเลสที่ยังละไม่ได้ก็ยังละไม่ได้จิตี่งไม่ตั้งมันก็ไม่ตั้งมันโอ้ยแล้วยิ่งปัจจัยสียิ่งหายยากนี่คุณริบเพ่นเลยไม่ปเพ่นครับแ ต, แต่ถ้าพูดแล้วมันสบายใจกิเลสที่ยังละไม่ได้ก็ละได้จิตยังไม่ตั้งมันก็ตั้งมันแล้วคนนี้ก็ยังช่วยเหลือเราเรื่องปัจจัยสต่างๆโอ้ยเรารี้ไเลย เป็นกะะัลยาณมิตรเลยนะครับอืออเพราะฉะนั้นถ้าพูดเรื่องเกี่ยวกับพุทธวจนะอย่างเงี้ยเราอธิบายได้นตะว่าโดยโดยที่คุณต้องเข้าใจพื้นฐานตรงนี้ก่อนนะว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี้ยจิตคุณต้องเป็นอย่างนี้คุณต้องเปิดกว้างนี้จิตคุณต้องเป็นมากะตะจิตคุณต้องเป็นจิตกว้างขวางนะมันมันสบายบอย่างสมช่นถ้าเราล้อมรั้วบ้านของเรามีมีครั้งหนึ่งที่อังกฤษเขาเคยจ ะ, ะมีความ คิดที่จะสร้างป้อมที่ก็ายจะคอยสู้รบกับฝรั่งเศสเขาจะสร้างป้อมที่เรียกว่า invincible fortress ป้อมที่ไม่สามารถจะรบถูกทำลายได้ invincible fortress อ๋อ invincible ครับ invincible คือไม่สามารถเอาชนะได้ fortress นี่คือป้อมใช่ไหมครับทีนี้อันที่เรย่องต่างอะไรก็ใส่เข้าไปในป้อมนี้โดยจะเป็นเรดาร์หรือว่าอาวุธแรงต่างใช่ไหม ใจตรงข้ามเนี่ยก็จะคิดเทคโนโลยีใหม่เพื่อเอาชนะให้ได้นะผลิตเตลฟออกมาเพื่อให้เขาเห็นหรือว่าเรือดำน้ำําหรือเครื่องยนต์กลไกะชนิดไหนที่มันจะสามารถทํำลายป้อมนี้ได้อืเพราะว่าคุณมีป้อมนี่ถูกไหมครับแต่ถ้าคุณเอาผลิตป้อมแบบใหม่ออกมามันก็ผลิตเทคโนโลยีใหม่มาทำลายป้อมนี้ได้มันก็ับผลัดกันเท่านั้นเองเนี่ยเหมือนหนูจับแมวแมวจับหนูอะไรอย่างเงี้ยครับไล่กันไปไล่กันมาทีนี้ อ่าถ้าเอาป้อมนี้ออกคือหมายว่ากำแพงป้อมไหนไม่มีเราเอากำแพงออกเลยไฟตรงข้ามนี่เขาทำอะไรไม่ได้จริงเพราะมันไม่รู้มันป้อมมันไม่มีอ๋อเหมือนกับไม่มีเป้าหมายอะไรที่ยังยังบ้านเราอย่างเงี้ยเรามีรั้วบ้านใช่ไหมเราเอารั้วบ้านออกจ้ะบ้านเราใหญ่ตลอดใหญ่ทั่วเลยนะอ๋ออืมเพราะนั้นไมคนคนที่เอ่อเอาเอาความเป็นตัวตนออกเนยมันสบายใจ อ๋อ oh. ครับมันมันไม่ต้องมีมขอบเขตรั้วคือเราทั้งหมดเลยเป็นของคุณ mm hmm. เป็นคือไม่ใช่ของคุณเป็นเป็นธรรมชาติหนึ่งครับอืมไม่ถูกตีกรอบเพราะมันไม่มีรัว้วไม่มีรัว้วอื ม, อมก็คือความที่ไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นเราก็ทําจิตให้เป็นมาหากต่ายอย่างนี้จิตกว้างขวางทําไมคามําสอนพระเจ้าเนี่ยถึงไปได้ถุกประเทศนะทั้งที่เขาโกรธกันไม่ไม่ไม่ดีกันเช่นพระเจ้าโกศน กับพวกมลกกรลดาขัตรย์พรกเจ้าอาชาศัตรูพวกเนี้ยเรบกันมาทั้งนั้นอนะ่ะกลัแต่ครรําสั่งพระเจ้าเข้าไปได้หมดแล้นะเพราะว่าเป็นธรรมจักรไงมรพงศ์เป็นธรรมจักรเป็นจักรอื่นที่ไม่มีจักรอะไรยิ่งไปกว่าเป็นจักรที่เอาชนะได้หมดชนะอย่างราบคาบชนะอย่างอย่างที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบชนะแบบไม่ต้องฆ่าใครชนะแบบที่ว่าทุกคนยอมรับชนะแบบที่ทุกคนวินหมดทุกคนชนะหมดอืมคนหนึ่งเขาชนะเราเขาชนะทุกคนสบายใจ นี่คือธรรมะอันพระภุทธเจ้รประกาศไว้ดีแล้วครับดังนั้นถ้าเราจะปฏิบัติตามธรรมะเนี่ยคุณอย่าว่าใครไม่มีใครในโลกนี้แม้สักคนหนึ่งที่เราควรจะต้องว่าเรา<อ>ไม่มีเหตุคนของการโกรดไม่มีครับหรือคนมันมาจีดทำให้เราจีดนะไม่เป็นไรเราค่อยๆฝึกไปแต่แต่ว่านี่คือ ค, คือหลักการครับนี่คือมรกนี่คือวิธีการแต่ที่ว่าคุณทําไปคุณอย่าไปโกรธใคร โกรธเราแก้ที่จิตเราให้ใคลายความโกรธซะอย่าไปด่าเขาอย่าไปว่าเขาถ้าเราเผลอด่าว่าไปแล้วเราไปขอโทษนะไปทําความผิดให้มันถูกซะอย่างนี้ค่อยๆทําไปจิตเราจะสบายอหมมอนรัตพงศ์จะมาสบายใจมากๆเลยนะเ <cả> ป็นมามีความสุขมากๆนเลยนะก็ไม่รู้ว่าจะเอาเอกก้อนนี้ให้แต่ละท่านผู้ฟังทุกคนได้ยังไงอืมท่านทได้ไหมแบอก อ, อกให้ไปละคนละก้อนแล้วก้อนหมอรัตพ์ให้สองก้อนเลย ครับอนุมโมทนาครับท่านเพราะว่าเพราะมันมันมันเป็นของรู้ได้เฉพาะตนใช่ครับถ้าเราทําจิตอย่างนี้ได้นะเราก็สบายใจมากๆครับ <K l ub> ใครท <K l ub> ำยังไงเราก็อนุโมทนาคเขาสร้างก็ดีครับทำก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรใครเราทําังไงเราทําตามพู้ถวจนะเราทําตามสิ่งที่พุทเจ้าสอนเราทําตามมรรคแปดครับ <K l ub> แค่นั้นเอง อืเราจะอยู่ในสังคมไหนก็ได้ใครจะกล่าวสิ่งใดในโลกเราก็กล่าวโวหารนั้นโดยไม่ยึดมั่นอะไรๆในอยู่พระสารีบุตรได้บรรลุปเป็นพระอรหันนะฟังคําพูดนี่อเออด้วยคำพูดไหนนะครับท่า น, นอีกอีกขออีกครั้งนะครับท่านบอกว่าโวหารใดที่ใครเขากล่าวกันอยู่ในโลกเรารก็กล่าวโวหารนั้นโดยไม่ยึดมั่นความหมายอะไรอยู่มเมื่อจบพูทธเดชะวันนี้พระารีบุตรซึ่งถวายงานมัดอยู่เบื้องหลังได้บรรลุปเป็นพระอรหัน มาจนจำได้เลยครับสาธุสาธุครับ ด, ดูดูเหมือนเป็นเรื่องเรื่องไม่ไม่น่าจะโอ้แค่เหมือนว่าแค่เรื่องแค่นี้ไม่น่าจะถึงกับบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะครับมนพระพงรู้ไหมผู้เช่าเคย บ, บอกว่าศรัทธาของคนเนี่ยครับศรัทธาของบุคคลในบุคคลหนึ่งเนี่ยนะศรัทธาอินทรีย์อินทรีย์คือศรัทธาความเป็นใหญ่คือศรัทธาเนี่ยอยู่ที่ไหนความเป็นใหญ่คือศรัทธาเนี่ยหาได้ในโซดาปฏิยงค์สีคือองค์แห่งการบรรลุโสดาสี่องค์ คุณมีศรัทธาอย่างนั้นไหมครับศรัทธาสามใช่ไหมบวกศีลห้าครับคุณมีศีลคุณมีศรัทธาคุณมีเมตตาไปที่ไหนไม่มีทางผิดคุยกับใครไม่มีทางผิดเอเปลี่ยนงานที่ไหนไม่มีทางผิดคุณไปที่ไหนไม่มีทางผิดคุณทำอะไรไม่มีทางผิดอบรรักการธรรนะมีศีลมีเมตตามีศีลมีเมตตาเพราะฉะนั้นใครจะพูดอะไรไงฉันมีศีลไหมเออฉันมีศีลฉันสบายใจอคุณมีเมตตาไหมคุณก็สบายใจครับอย่างนี้นะ แล้วเราก็ดูสิว่าเรื่องนี้มัน อ, อะไรที่เป็นราคาโทสะโมหะเราก็ไม่เอาครบแค่น้ okay, เองใครจะหยิบยื่นไม่ให้เราใช่ัหมเราไม่เอามันเขาก็ต้องออกเข้าไปจริงครับเราไม่รับสะอย่างก็ไม่ไม่เข้ามาสู่ท้านผู้ฟังอ่านมากายมาจาใจในในรายการนี้นะครับ เ, เปิดทาถูกปิดป้าออนไลน์เนี่ยถ้าไม่มีใครจะไปเถียงด้วยแล้วเนี่ยรหรือว่าไม่มี เขาจะต้องมีแบ่งเป็นฝ่ายอะไรสักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่นะครับเราก็จะพูดยไงเราก็ไม่ได้เป็นฝ่ายคือเราก็ไม่ได้เป็นฝ่ายที่สามด้วยละเราก็เดินทางสายกลางเอ้าเดินทางสายกลางมาชี้ว่าปฏิปทาที่พระเจ้าบอกเดินตามมักมักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วถ้าใครจะมาเดินทางนี้เราก็ยินดียินดีต้อนรับเลยถ้าใครจะไม่เดินทางนี้เราก็เชิญชวนถ้าเขาจะเชิญชวนเราไปเดินทางอื่นเราก็เชิญชวนเขาไปเดินทางนี้อย่างนี้นะครับอืม ในในการกระทําเช่นนี้จะต้องอาศัยเขาเรียกอะไรขันติแล้วก็ลมปล่อยวางมันก็อาศัยอย่งหมดเลยนะคือมันก็เป็นลําดับลําดับที่พุทธเจ้าได้บอกเอาไว้อันแรกก็หิรูตปะความกลัวความละอายและความกลัวตวบาครับเราละอายต่อบะแมมละอายตบาะนี่นะสมมติเรานั่งอยู่ในห้องคนเดียวมาแล้วก ค, คิดเรื่องชั่วช่วคิดเรื่องลามมกคิดเรื่องไม่ดีเนี่ยนะ มันไม่มีคนเห็นนะไม่มีครับสมมุติเราอยู่ในห้องคนเดียวอย่างเงี้ยเราจะอหลังที่ยงแล้วหรือว่าเรากินอาหารเราแอบกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีใครเห็นนะอืมแต่เทวดาเขาเห็นได้ใช่ไหมหรือจิ้งจรมันเห็นได้ครับพวกนี้มันรู้หมดนะใช่ไหมครับทีนี้ทีนี้นี่คือเราไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ถ้าเป็นความคิดเนี่ยเราคิดอยู่ในหัวเนี่ยอไม่ใช่คนอื่นเขาไม่รู้นะ คนที่เขารู้ได้เขาก็มี ม, มันไม่มีความลับอะไรในโลกนี้เลยถ้าเรา ค, รคิดอะไรชั่วๆขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยเราอายอายอายวะเฮ้ยคนนี้มันจะรู้ว่าเราเป็นคนชั่วแล้ว ม, มันน่ารังเกียจมากๆคนที่คิดชั่วแค่คิดชั่วนะเพราะว่าคนที่รู้ว่าเราคิดชั่วเขาก็มีครับมันน่าละอายอืมอืมครับวันนี้ก็ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะอธิบายเรื่องของคนอื่นทําดีทําไม่ดีเออใครทํำดีเราโน้มน้าวใครทําดีเรายกย่องใครทําไม่ดีเราไม่ต้องพูดถึงใครทําไม่ดีเราพูดนิดเดียวถามจังน้าเราพูดนิดเดียวแต่ว่สร้างความดีให้มันมากๆเราชักชวนเราต้องเป็นคนที่คุมเกมอะไผถ้าเราอยู่ในเกมนี้นะคุณต้องเป็นคนคุมเกมหมายความว่าถ้าคุณชักชวนเราทําไม่ดีคุณต้องคุมเกมเลยคุณต้องชักชวนไปในการทางดีแต่คุณชักชวนไม่ได้คุณทําไง คุณอุเบกานี่ออกเอืมครับเพราะถ้าใครมาชวนเราไปพูดเรื่องอะไรที่มันบ้าบอเราก็จะชักชวนเข้ามาคุณในทางดีครับก็แค่นั้นเองเราต้องเอาความดีล้างความชั่วเราน้ําดีล้างน้ําสีไล่ดําเสี ย, ย, สยใช่รเราพูดเรื่องนี้กันไปแล้วคุณต้องเอาอความดีชนะความชั่วเท่านั้นไม่มีการชนะอื่นที่จะที่จะดีได้ที่จะราบคาบได้อืม คุณต้องชนะสงครามกี่ครั้งคุณถึงจะรู้เรื่องนี้ว่าชนะสงครามปุ๊บมันต้องมีการทำลายการล้างผลาญใช่ครับพระเจ้าอ่ะผ่านสงครามมาไม่รู้กี่ครั้งปาดคอตัวเองควักในตาเพื่อที่จะแสดงท่าหมอนพงครับเออแล้วแล้วแล้วเราแหมเราไม่ได้ทำขนาดนั้นโดยซ้ำถามว่าเรารู้จากคนที่เขาทำอย่างนี้มาแล้วรู้ข้อมูลดีดแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องไปลําบากตรากตรำในการที่จะ ไปหาข้อมูลนั้นอีกครับไม่ต้องลองปิดลองถูกใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ในบ้านเมืองปัจจุบันใช่ไหมครับว่ามีการเดินทุดดงอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทําความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนว่าที่พระเจ้าใช้เรื่องของทุดดงควัตรเนี่ยคือข้อปฏิบัติอันบุคคลทําได้ยากเป็นไปเพืคอกูเก่ากิเลสอย่างเงี้ยขู่เก่าเก่ากิเลสเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อปฏิบัตินะทีนี้มันเป็นเรื่องนี้มันมาตั้งแต่สมัย ครูบาอจารของเราครับที่สมัยเด็กอันตราก็เคยเล่าโยมพ่ออาาัานายเนี่ยเขาเล่าไปบอ ก, บอกเออนั่นพระทุดงเราก็เห็นพระแล้วก็เดินอยู่อ๋อเราก็เลยคิดว่าทุดงมันคือการเดินอืมครั บ, รบแต่ว่าทุดงเนี่ยคือข้อปฏิบัติอันบุคคลทําได้ยากเป็นไปเพื่กก อ, อกุดเการิดอย่างยิ่งเช่นท่านฉันบายในบาตเป็นวัดเห็นบาต ท, ท่านอย่างเงี้ยโอ้นี่พระทุดงแล้วท่านก็เดินอยู่เออเราก็เลยไปเอโซเชียลลิงค์คำว่าทุดงกับคำว่าเดินด้วยกัน อ๋อครับแต่จริงๆแล้วควําวัตถุดงคือข้อปฏิบัติอันบุคคลทาได้ยากเป็นไปเพื่อขุดกากิเลสอย่างยิ่งใครๆก็ทราบว่ามีสิบสาข้อในข้อนั้นไม่มีสักข้อหนึ่งที่เป็นการเดินครับสิบสามข้อนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ทําได้ยากเป็นไปเพื่อขุดเกาวกิเลสอย่างยิ่งเป็นทําเพิ่มเติมไม่ได้บังคับอืม hmm. พระอยู่ในเมืองนั่งเป็นที่พระวัดบวรพระวัดไหนก็ได้ที่อยู่ในเมืองพระวัดบ้านวัดป่าแดงนั้นแ่ะถ้าคุณ <Right. S 2> จะปฏิบัติข้อแบบัตินี้ทําไมจะไม่ได้ hmm. คุณไม่นอนเย่าง คุณดูอิริวะสามโอ้ยนี่รพระดูดงอะเนี่ยรพระดูดงไงไม่ได้เดินองค์ปฏิบัติข้อปฏิบัติในการทําได้ยากไงเป็นไปเพื่อขุดเกากิเลดอย่างยิ่งแล้วเพื่อเป็นการที่เพื่อเป็นการที่ขุดเกากรีดจริงจริงนะไม่ได้เพื่อโชว์ใครอ๋ออันนี้ดีมากมากเลยเหมือนกั บ, บหัวในใสครับอืมแล้วก็ถ้าผมว่าคือเรื่องนี้พระเจ้าเคยพูดในเรื่องอุปกิเลสไงถ้าคุณไปบําเพ็ญตบะไงแล้วนั่งอยู่ ที่คนเยอะๆเงี้ยเพื่อให้เขารู้ว่าเออมันเป็นตะบะนะอ่านี่เป็นอุปกิเลอรของคุณอ๋อเป็นกิเลส ท, ที่ยี่กินใจเราอยู่เพราะฉะนั้นถ้าถ้ามีคนเป็นแบบนี้ยังมีกิเลสกินใจอยู่เนี่ยแม้เราสงสารสงสารว่าโอ้คุณควรจะทําให้แหมกิเลสที่มันออกไปนะล้างให้สะอาดดีกว่าครับนี้นะอุปกิเลสหกยังมีอยู่ครับใช่ครับทีนี้ว่าถ้ามีใครพูดถึงเรื่องไหนแล้วเป็นเรื่องที่ ถูกต้องชัดเจนคุณเชื่อคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองอันนี้ถ้าคุณไม่ยอมเชื่อไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองอันนี้เป็นอุปกิณ์อย่างหนึ่งในสิบอย่างครับก็เพรบะระบบความคิดของพระเจ้าเนี่ยถ้าเราศึกษาพุทธวจนะให้มาเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อพระเจ้าก็จะแนวทางนี้ไม่หนีออกจากมรรคแปดนะเหมือนกับว่าบ้านบ้านหนึ่งศาลาสังหนึ่ง มีประตูเข้าสี่ประตูคนจะเข้าจากประตูเหนือใต้ออกตกก็ได้แล้วคนจะมาอยู่ในที่นี้ก็จะเป็นคนจากวันนะพราม์แพร่กษัตริย์คนรวยคนจนอยู่ได้หมดครับเดี๋ยวทั้งหมดก็เป็นเรือนหลังเดียวกันถาน้าโดยทั่ก็คือมรรคแนี่นก็รวมหมดของไม่ว่าจะเป็นคําสอนใดๆที่เราพูดถึงอดทนเอ่ยพูดถึงมีเมตตาเอ่ยก็จะรวมอยู่ในนี้ในบ้านหลังนี้จะเข้ามาจากทางไหนก็ได้แล้วเราจะเอาธรรมะไปปฏิบัติในเรื่องของการเห็นสิ่งต่างๆดูหนังสือพิมพ์การทํางาน การเลี้ยงลูกกันทําอะไรได้ทั้งนั้นก็จะอยู่ในในบ้านไหนที่เราทํานู่นทํานี่ทํานั่นแล้วก็ทําได้อืมทุกดวงก็มีแข่งเนี้ยเท่านั้นเองข้าปฏิบัติอันทําได้ยากเป็นไปเพื่อขุดกาบกิเลสอย่างยิ่งแต่ว่าเดินนี่มันก็เดินยากมันไม่ใช่เดินง่ายๆนะหมวดพงเดินทางไกลเนี่ยแล้วก็แบกของอย่างงี้นะห่วยนะครับยากนะอืมสมมติว่าเป็นคารว่าแล้วเอ่หมายถึงว่าต้องการที่จะทํา ทุ ด, ดงเนี่ยทุ ด, ดงขวัตเนี่ยก็ได้ใช่ไหมครับได้ได้ได้ครับก็ทําทำคือจะไม่ได้ทุกข้อหรอกนะแต่ว่าสักข้อใดข้อหนึ่งก็ก็ดีอย่างตัวพระสงฆ์เองเนี่ยคุณบาชานฉันก็จะสั่งสอนว่าเาให้มีทุ ด, ดงขวัตอย่างน้อยหนึ่งข้อมีสามข้อเป็นปกติจะดีอย่างเราก็บินธบตตัตเป็นวัดฉันในบาทเป็นวัดหรือผ้าสามพื้นเป็นวัดอย่างนี้ก็เป็นสามข้อที่เราเราทําอยู่เป็นปกติอ๋อครับ แล้วทีนี้ว่ า, าถ้ามีเรื่องอะไรไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยหมอแล้วรัที่เราไม่พอใจอ่ะคุณอย่าไปด่าคุณอย่าไปว่าคุณอย่าไปพูดสิ่งไม่ดีคุณอย่าไปทำไม่ดีอย่าทำอย่าทำครับแล้วทำไงดีครับกันเฉยๆอุเบกขาอย่าทาไงอย่าทำอย่าทำแล้วจะไปทำอะไรดีอ่ามันต้องมีงานให้จิตไม่งั้นจิตมันจะไปบ้าบอก็ต้องมีงานให้จิตงานของจิตก็กรรมฐาน Mm hmm. ออฐานที่ตั้งของจิตใช่ไหมฐานที่ตั้ ง, <Okay. S 2> งการงานเราก็เอาลมหายใจให้จิตอยู่ชะครับครับที่ที้ปัญหามันคือตรงนี้ว่าถ้าเราไม่รู้จักว่าวิธีจะอยู่กับลมหายใจทําไงเนี่ยมันจะยากคุณคุณจะยากในการที่คุณจะใช้ลมหายใจเป็นที่อยู่อย่างคนตายอ่ะคนจะตายอ่ะ <Okay. S 2> คนจะตายตา ย, ยังไม่ตายโอ้ <Okay. S 2> ตอนนี้ยังยังไม่แก่เดี๋ยวค่อยทําฝึกรู้ลมหายใจ mm hmm. ทีนี้พอแก่แล้วมันจะมาฝึกรู้ลมหายใจยากพอใกล้จะตายเนี่ยเออเไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนตอนแต่ตายมันจะเป็นเองมันจะเป็นได้เอง มันมันยากนะจะมา ร, รู้ลมหายใจเอาเค้ว่าคนหนุ่มหนุมอายุยี่สบสามสิบอยู่ในวัยปฐมวัยอย่างเงี้ยจะมาฝึก ร, รู้ลมหายใจตัวเองให้มันถูกต้องเนี่ยไม่ใช่เรื่องโม้โม้นะจริงครับ ม, มันมันมันไม่ใช่เรื่องไงบางคนหายใจอยู่ก็ เ, เดี๋ยวปวดหัวเฮ้ยทำไมฉันปวดตาห้ยใจก็ปวดหลังด้วยหายใจก็คิดอะไรกันเต็มไปหมดเลยเ อ, าอ๋าแล้วคุณก็อยู่ลมหายใจไม่ได้สิใช่ครับแล้ว่าตอนตายคุณจะไปอยู่ได้ครับไม่ไม่ได้รับการฝึก พูดถึง<ช>พอถึงเวลาจริงมันยากครับยากเหมือนนึกๆถึงคนว่ายน้ำบอกว่าฝึกว่ายน้ำแล้วก็สมมติว่ายไม่เป็นแล้วก็ถึงโอกาสที่จะจมน้ำเนี่ยก็ก็คือจะไปฝึกเอาวินาทีนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้ยากมากยากครับแล้วก็คนพานเราอย่าไปยุ่งคนบานเราอย่าไปยุ่งให้หลีกหนีให้ห่างไกลใช่คนบานเราอย่าไปยุ่ง คนพานอย่าไปยุ่งจริงอธิวนาจะพาลนังเลยครับเป็นมงคลอย่างยิ่งการที่ไม่ได้ต้องยุ่งกับคน่านเป็นมงคลมากๆเลยมงคลของวัตถุมงคลนี้ครับวัตถุมงคลนี่ก็มีก็หมายความว่าคือสู้ไม่มีคนพานจะดีกว่าสู้มีบัณฑิตดีกว่าจะดีกว่ามีวัตถุมงคลครับก็คือกลับกันให้คบหากัลยาณมิตรใช่นี่คืกลับกัลยาณมิตรก็บุญชาก็เป็นกัลยาณมิตร พระเจ้าสงฆ์ก็เป็นกเรีมิตได้ธรรมะก็เป็นมิรไดมักยุ่งบบยก็เป็นอริมิตรได้ขารว่าที่มีสีมีจารค่ามีสถานมีปัญญาก็เป็นกเรียนมิตรได้นะเวลาที่เขาไม่มีเราก็อย่าไปคุกเขาเราไปคุยเขาเวลาที่เขามีครับเราจะสบายใจมากหมดแล้วผมเราจะเราจะเป็นผู้ที่อยู่เป็นสุขอยู่ในสุขวิหารได้เรื่องไม่ดีเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรที่เราคุณดูแล้วมันไม่พอใจคุณคุณก็จะไปอ่านมันเป็นพระไม่ต้องอ่านหนังสือพิมพ์เลยสบายใจมากเลย มานะจริงดูทีวีสบายใจมากเลยก็ยังยังบอกว่าการการใช้คำว่าเสพข่าวเนี่ยโอ้โว่าเป็นมหาทุกข์เลยนะครั บ, ปรบ <c oughs> ไปหาก็เองนะมาหาเับ <c oughs> มีเรื่องแบบโอ้โหแบบสารพัดร้อยแปดที่จะยกขึ้นมาแล้วในแง่ของสื่อเนี่ยการนำเสนอก็จะต้องนำเสนอเรื่องที่มัน น, น, น่าสะพรึงกลัวใช่ขายได้อย่างกรณีของระเบิดที่ทางใต้อันนี้เป็นเนยลาใช่ไหมครับแบ่งปันนิดนึงคดีผมเป็นคนเยลาแล้วก็เ พ, พิ่งกลับบ้านมาก็ผ่านทั้งหาดใหญ่ทั้งยยลาเลยซึ่งตอนนี้คนทั้งประเทศก็ไม่รวมทั้งคนประเทศเพื่อนบ้านด้วยก็กลัวกันมากเลยครับอตอนนี้ทุกอย่างเหมือนช็อกเหมือนตกอยู่ในภาวะครับไป ที่หัดใหญ่หรือยะลาเนี่ยโอ้ยเมืองเงียบแบบทุกคนแบบมีความสงูใช่สงบถูกนะ ก, ก็ก็ได้แต่บอกญาติพี่น้องคนที่เกี่ยวข้องว่า ม, มันมันเป็นอย่างที่มันเป็นก็ให้เราทำตัวของเราให้ดีก็มไม่ทัดท่านจะอ่า แบ่งปันตรงนี้ยังไงครับท่านก้อนี้คือตอนเนี้เป็นเป็นท็อปิกใหญ่ของประเทศเลยว่าเรื่องของการก่ อ, อ ก, การร้ายเนี่ยครับเราก็สถานที่ที่มันที่ที่เป็นอย่างเงี้ยพระเจ้าก็ให้หลีกเลี่ยงรนะหลีกเลี่ยงที่มีช้างดุม้าดุที่ที่แบบว่าวุ่นวุ่นวายๆออย่างอย่า ง, างวัดปาต่อสาโศงเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยมีความวุ่นวายอย่างนั้นเราก็จะอยู่ที่นี่อะไรที่มันจะวุ่นวายแล้วก็หลีกออกนี้ออกอย่างเงี้ยนะ แต่ชัดจําจเป็นต้องอยู่ก็ให้อยู่ด้วยสติสัมปชัญญะอย่างนั้นไหมครับใช่ใช่ตามก็ต้องมีสติสัมปชัญญะถึงจะอยู่ได้จริงเหตุการณ์อะมันก็ จ, จะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เขาว่ากันยังไม่มีสงครามอะไรกันแบ บ, บแบบนั้นนะนะ ค, คนเขาก็ยังอยู่ตามปกติทีนี้บางทีข่าวมันก็มากไปเองครับข่าวมันจะประโคมให้เกิดเหมือนเกิดเป็นแพนิคไมนแพนิคแบบเหมือนกับโห ครับจริงๆในในก็ก็คุยคุยกันในหมู่ญาติพี่น้องคุณพ่อคุณค่ะคุณแม่เนี่ยบอกว่าเราก็ต้องดำรงชีวิตตามปกติแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้ประมาณเนี่ยหมายถึงว่าเออตรงไหนที่มีความเสี่ยงล้วก็จะหลีกเลี่ยงทั้งในเรื่องของสถานที่คือคือตัวสถานที่ที่มีความเสี่ยงแล้วก็อีกอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญคือเรื่องของเวลาการละเนี่ยสําคัญมาก บางบางที่เนี่ยในการละหนึ่งเนี่ยมันจะปลอดภัยแต่ในในช่วงเวลาหนึ่งมันก็อันตรายอย่างเงี้ยครับแบบก็เลยก็อย่างครอบครัวของกระผมลงทาญาติมิตรก็ก็ไม่ไม่แค ล, ล้วคลาดจากทุกเหตุการณ์ก็ก็ใช้หลักการเนี่ยครับคือไม่ไม่ได้ไปคล้องแวะกับสิ่งที่มีความเสี่ยงครับเรือ่อง น, <laughs> นี้เราก็ค่อยๆแก้ไขไปนต่แน่นอนคือเราต้องอยู่ในมรร <C lar m> เราอยู่ในใทางอยู่บนทางอันถูกต้องแเราไม่ได้เป็นผักปลาให้ใครมาผู้ยิ่ผู้ยำ่ำ <C lar m> เราอยู่ในทางเรามีความมั่นใจมีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญที่เราจะอยู่ตรงนี้ <C lar m> อยู่ในทางนี้ใครทำงาง <C lar m> ช่างหัวมันเรามีความมีปัญญาที่เราจะให้ตัวเราอยู่ที่นี่ได้ <C lar m> เรามีปัญญาที่เราจะรีออกจากเรื่องที่ชั่วช้าได้ก็เรียกว่ามั่นคงในเส้นทาง ครับครับตรงเนี้สําคัญมากจริงนะมาแลพงครับแล้วถ้าเขาท า, าไม่ดีเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็อย่าไปด่าเขาหรือถ้าเราต้องอยู่กับคนชั่วใช่ั้มบางทีมันจมันจะเป็นเราอยู่กับคนชั่วหรือว่าคนที่ทําไม่ถูกใจเราเราก็อดทนไว้ครับแค่นี้อดทนไว้อดทนไว้อดทนไว้ครับอืมก็มีมีรู้สึกท่านเคยกล่าวว่าการจะต้องใช้ชีวิตกับคนผ่านก็ต้องอยู่ด้วย สติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะเช่นกันนะเหมือนกับการที่เราอยู่ในประเทศนี้ซึ่งมีความวุ่นวายในในหลายรูปแบบทั้งการเมืองทั้งอะไรอย่างเงี้ย ก, ก็ก็ต้องอยู่ด้วยสติและสัมปชัญญะใช่ไหมครับไม่ไม่ไปถูกใครโน้มน้าวหรือว่าคล้อยตามใครโดยไม่มีเหตุผลใช่ไหมครับใช่ครับนี่ก็ใลักษณะนี้นะเพราะนั้นเรื่องของจตองวัดเราก็ได้อธิบายรบเรื่องของการทําจิตในข่าวต่างๆเราก็อธิบาย เรื่องของสุขวิหารธรรมกับสุขเวทนาต่างกัอย่างไรแล้วก็อธิบายครับลักษณะนี้วันนี้ก็คิดว่าคงบอกแค่นี้แหละนะหมอทุกพงนะครับครับแล้วก็หมกแเวลาพบกันใหม่ในวันศุกร์น่ะครับต้องกราบดําภัณฑขอบพระคุณพระอาจารย์ภัยบูลอภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไฮโศกจังหวัดอุดรธานีครับแล้กราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ